อุบายได้สิเบื่ินายไข้เมาในวัตฏะสงสาราเ น, นเี่ย อ, อุบายได้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าอุบายได้สิเพิดเพื่อนในวัฏฏะสงสารลืมตัวลืมตนลืมใจลืมธรรมอุบายนั่นเป็นคําสอนของพญามารสําหรับคนจวนแกแล้วแกเลี้ยนแกปฏิวัติมาแล้วช่างโม่ห้าวนี่ยเ ม, มันเนี่ยสิว่าอมคอบว่าวันลรัดโลดพอผ่านทุกมาแล้วผ่านอุปสรรคมาแล้วอุปสรรคปัญญาวิเศษ เป็นยาวิเศษของนักป่าให้เบื่อายโลกแต่หากเป็นยาวิเศษแห่คนผ่านพุทธจลิศนั้นก็เป็นเรื่องของภัยของมันอยาดอกนักป่าเห็นอุปสรรคในวัฏสงสารย่อมย่อมพระเจ้าย่อมฟังธรรมเทศนาพระเจ้าย่อมเสื่อย่อมปฏิบัตริรีบเร่งปฏิบัติเพื่อจะให้พ้นนี้จากไปไปจากวัตาสงสาร ม่อยากมาเกิดบ่อยากมาแกไ่อยากมาเก็บม่อยากมาตายอีกพราะเห็นรถเทนซาเกิดแก้เก็บตายแล้วว่ามันเป็นทุกขมมนว่าแต่พระพุทธเจ้าซื้อโมหะกับวานัมโเมนเห็นแต่พระพุทธเจ้าซื้อโมหะกับเห็นนําทุกอีริมมนพระพุทธเจ้าตัวจิงแท้สนามนสนามพ่ยคือวัดตาสงสารสนามเกิดสนามแก่สนามเก็บสนามตาย สนามโลบสนาําโกดสนาํสนาหลง ก, กับวัตตาสงสารวัตตาสงสารไก่ก็คือมันจิตมันใจของหมูเห่าที่ยังหมูเห่รุดพ่นนี่วัตตาสองสารภายในวัตตาสงสารภายนอกกับสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์มนุษย์โลกแลยแก่มนุษย์ทั้งหลายที่สนองเวนสนองไพยกูขามึงมึงขากูกูรักมึงมึงรักกูเออกูกินมึงมึงกินกูม้วนไห้ไสผงอยู่ชาระผัดวัดเวียงแด้แต่รกชาตินี่ มองเห็นใจโลกาธาตุมองขึ้นไปอดีตกับมันลุมทานเพิ่งเพิ่อแก่เพิ่อเก็บเพิ่อตายเพื่อเวีเพิ่อไผ่เพิ่งสารพัดเพิ่งสารพทุกข์นั่นแหละมันกลายเป็นไฟแดงโลกขึ้นหอดพวกมาโลกคุนพวกพมาโลกก็ยังมีไฟอยู่ตัวสี่เนี่มาเกิดแก่เก็บตายอีกฮะนี่อยากดับไฟซุมนี้จิดับไฟซุมนี่ดับโดยวิธีใด ดับดือดคว่ำเพริในหลวงทั้งปวงเรียกว่าดับไฟเข็ดลาบเพื่นวิสาเข็ดลาบคาบยาเรียกว่าดับไฟดับไฟคว่ำหลงไฟโมหะคว่ำหลงไฟราคะสิค่อยดับไปด้วยไฟโทษซักหักสิดับไปเองดับกองทับไงมันพุ่นผู้หัวหน้าหัวจักมันคือกองทับหลงสมัยหลงยินดีในวัดจ้าสงสารอยู่ติธรรมใดก็เรียกว่ามัน ยังนับกองทับหลงบ่ได้หัวจักมันแมังกสิเดียวได้เที่ยามาหลวง ม, มาโกรธมาหลงมาแกมาเก็บมาไตายย่ในวัดตาสงสานอันนี้อืเงี้นว่าไต่เกิดในวัดตสาสงสารอันนี้อยู่บ่เลี้วบ่หลอดจักเถื่อขันท้าพี่ ย, ยัง 4, น่ายังสี่นั่นแหละ น, นั่นแหะตัวศีลนั่นแหะตัวสมาธินั่นหลกปัญญาเมืองหลวงเป็นสมาธิหวัวตอสมาธิประกอบกับปัญญาปัญญาประกอบกับสมาธิ มนันสีนหัวตอสีข้อมชงสัยออกตัดสีข้อมสงสัยออกว่านออะตัดสีข้อมเขียนลาบออกตั้งมันในควอมเขียหลาบรอบขอบในค้อมเข็ดหลาบสีอำนธาธทีปัญญาเขาเลยอยู่น้ากันเออมหาแต่สฐีบัญญัติเป็นนิทมในท่านนี่ยังนนี้ท่านท้องเฮานี่แหะ นี่ท่านคิดนี่ท่านใจนี่ท่านโค่นพมเพือท้องเฮานี่แหะนี่ท่านท้องบนเพื่อนก็ดีไปแล้วสัวเพ่นก็สัวไปแล้วนี่ท่านท้องเฮาแต่อดีตคือกันดีก็ดีไปแล้วสัวก็สัวไปแล้วน้องเสือเอามาตั้งหนาไซนีท่านปัจจุบันท้องเฮาลงมือเฮ็ดลงมือทเสือไม่ไมันข่ายสิคำมาแล้วเขาว่าอัมูเฮาหนักมันง้มันข้อยกับมันไเขาขอกขทุนละตอกป่งพุ่งละ เอนที่เทียบเชะอายุสังขารน่ะเขาขอกเขาทุนแล้วไม่ง้อคว้ยห่วงโซนแรงสซนง่ายละ่ะแต่เวน้นแต่เว้นกับลุงเล็บรี็บรีล่ละสิรับเรื่อมเขาละ่ะสะกก้นหน้างขายนะ่ะสิแตกสิสลายลงเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมน่ะ ส่วนจิตใจบ้ยอมสีส่ย่อมตายม่อย่อมตายจากศีจากธรรมม่อย่อมตายจากมรรคผลในผ่านทีพี่จาน also, ้าหายเบืเบ่อหายนายหายข้าห้เมาขี้ข่านมากินขี้ข่านมากี่ในวัตราสงสารอันน mm ี hmm. ้ขี้ข่านมาได้ขี้ข่านมาเสียขี้ข่านมาบริหารขี้ข่านมานึกอขี้ข่านมาคิดขี้ข่านมาหันใจเขาออกขี้ข่านมานึกขี้ข่านมาคิดขี้ขัานมาได้ขี้ข่านมาเสียมันจะเมียนวัดเอาหลด สี่ขั้นนั่งขี่ขั้นนอนสี่ขั้นหันใจเข่าออกมีแต่กองทุกข้างนั้นหันใจเข่าหายใจออกข้าว่าเป็นของธรรมดาปรแมาณนี้บรนเท่าทุกข์ได้นี่ถ้าเอาหันเข่าแล้วพอหันออกบึงรู้อยู่บ่ได้ดินกุดกวดหันออกแล้วพอหันขันเข่าอยู่บ่ได้ดินกุดกวดนั่งคือกันน่ะนั่งหนึ่งมึงรู้ขับมันอยู่ได้ดินกุดกวดเขามันก็พออยู่ได้นับตีงหันตีงนีได้เยนีไงมันก็ตีงหาความซุกมันแหละอืเพลินจังว่า การเปลียนอิริยาบถมันปิดบังทุกคนมาสั่นการทุกนั่งก็ผนไปย่างซะมันปิปิดบังมาสั่นันเมืองย่างก็บผไปนอนซะมาสั่นผนไปนั่งซะมาสั่นมันเลยปิดบังทุกมั่ยเห็นมาสั่นเห็ุทังั่นเานั่งยืดดีๆมันจะขัวตีงยุ่นแหละมันทุกข์มันมันไ่เป็นจะอยู่จิตคือกันล่ะ มันก็เป็นทุกค์ขึ้กันเดี๋ยวมันนึกอันนั้นเดี๋ยวมันนึกอันนี้มันนึกหาความสุขมันเหระบ่ได้ความสุขเพรานนึกอันนั้นเพรานึกอันนี้มันถึงนึกอันนั้นนึกอันนี้อยู่ปานพยับชนะเป็นทางนู้นมันจะอยู่ซื่อๆเปลยนมันอยู่ซื่อๆเพาเปลี่ยนดอกมี่จะให้สติปัญญาให้ดูตามเป็นจริงมั่นให้เบื่อให้นายมันจิตใจเนี่เพิ่นก็ให้เบื่อให้นายขึ้นกันอ่ะม้นึกจะมิดหนักมากมันว่าเองมัน มันเคยเรียมซาบเพราะแห้งแหละมันเคยเมาเพราะแห้งมันมันเคยเมาทั้งทุกทั้งนึกทั้งคิดมาพราแห้งมันเคยหลงนึกหลงคิดมาพ่อแห้งแหะมันถื่อเป็นอาหารแช่เพราะมันแถมวันนี้นึกได้คิดมันก็อยู่บารายกันยังว่ากองทุกข์เจากระหายไหวเนื้อเจอมีหลังของเก่าหลงลบกลืนเลไว่าอีกตั้เมื่อไปไม่นานเลยมันมีสิคือผัทขางเก่าใคคืออะไรลิลลบหลัง ถึงที่สุดของความทุกข์แล้วมดขึดนมดอันนั้นนะมีมีอยู่มีอยู่บัดเป็นบางเลขน้อยแต่มันมีอยู่แหละบัดบัดหามันมดความคืดมืดความรู้สึกนึกคิดนันใดเล่ลลววาละว่าพันธุพานนั้นะเป็นสุขซ่ําใดคนทั้งหลายเขาละว่าว่าวันพันิุพานนี้ไม่มีตัวไม่มีตนศูนย์ใครๆก็ไอยากจะไป มันมาสูญแล้วสิสูนยังไากินข้าวอิ่มเนี่ยทองมันสูญหมดลงของพวกอิ่มกัมีอยู่ไหบอกอ๋งสันว่าอันผู้ยืนยันว่าสูศูนี่ยมันกับว่าสู์ตัวหันคนว่าศูญเราเป็นที่ไปรู้ให้ยังสันไหนบอกอ๋องสันหลายคนนะที่แบบพันธุพานสูญเราไปทำไมเขาไอกพันธุพานศู์เขาไม่รู้ว่าศูญอะไรศูญลบศูญโกดศู์หลงนะซื้อ เคืองหอกอยเอา่อยแทะน้ํานี่ยสู น, นะสนแล้วอันมันขั้นนะ่แต่ว่าอันมันบวกั่นไม่อยู่ <c oughs> หรือว่าของสัตนเอาหลดว่าในควา ม, ยายามทุกทอย่างจะกต้องแบเออมันว่ให้สูนหายไปลยแล้วยังกขันใจเขาออกเครื่องมาสูญหายอืะก่อยไปแท่น้นะนาแล้วมันสูญหายจากอันบวกลั่นบวั่นผิดมันยฮะเนี่ยอันบวั่นบ่ผิดยมันบกลั่นได้หรอฮนะนี่ยที่นั่งปฏิบัติหรือนั่งับสมาธิอยู่ มันก็ดับความคิดแต่พอหลับไปแล้วไม่มีสติมันก็ฝังเหมือนกับไม่ได้เคยปฏิบัติมาก่อนเอออันนั้นมันเป็นสัญญาเก่าอันนั้นเวลาตายมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยไม่เป็นหรอกก็มีดวงดับแต่เวลานั่งนันนึกว่าโอ้ไปได้แล้วหมดแล้วหมดความคิดหมดความนืความรู้สึกว่ามีตัวมีตนหมดแล้วสบายที่สุดเบาที่สุด นี้พอหลับไปแล้วเป็นคนคนเก่าเมื่อปอดนะคะเป็นคนยำยาบอยู่ค่ะค่ะมันไม่ยิ่งง่ายบางทีก็ยากบางที่อีกากเป็นธรรมชาตเรื่องสัญญาเก่าๆล่ะสิ่งที่เคยทํามาแต่ก่อนยี่สิบสามสิบปีแล้วมันเอามาปรุงมาแต่งมันมาฝันไปอย่างนั้นอยู่ตลอดทำไมถึงไมงเรศน์นะมันก็บอกว่าสังขารขันอันนั้นอสังขารขันเราก็น้อมลงสู่สังขารขันแล้วเวลาเราจะไปนะคะทํำยังไงนะ อ๋อถ้าเราไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลในเรื่องอนั้นมันก็ไปไม่ได้ถ้าเรานึกว่าเรารู้สึกว่าเป็นจกแต่สักว่าฝันเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นแล้วเขพลิกออกมายึดถือเอาเป็นเจ้าของคําฝันนั่นก็ดีถ้าเรายังไปนึกเอาคําฝันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เราก็ไปไม่รอดเราปล่อยเลยเนาะปล่อยทั้งคําฝันเลยบางเวลานั่งอยู่เอ้ยมันไม่มีตัวไม่มีตนนี่เป็นจับภาพไม่มีสติอยู่เลยนะ พอหลับไปแล้วมันเป็นเป็นก็ปอให้เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของสังขารเราไม่ใช่เราอไปเป็นอเรื่องของสังขารเราไม่เอาแล้วะแล้วไม่เอาแต่เราไม่ฝันเราก็ยังไม่ยึดถือนี่เราฝันเี่จะไปยึดถือทําไมอืแต่เรานั่งดีๆอยู่สมาธิเราก็ไม่สําคัญว่าเราเป็นสมาธินี่มอ้ให้สมาธิซะใจเป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่ตัวใส่ไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุบัตนา ทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มันเกิดกับใจก็เป็นแต่สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยน่ากลัวที่ตอนจะสิ้นใจบางทีมันไม่มีสติแล้วมันจะไปเหมือนกับเขาฝันทำยังไงอย่างไง้เวลาจะดับจิตแล้วมันหมดสติแล้วรวมจะไปบุบนั้นมันจะเป็นยังไงนะ ถ้ามีสติอยู่อย่างเดียวนี่มันก็ไม่ให้มันเป็ีนนะรู้แล้วว่าไอ้นั้นมันเป็นนรกไอ้นั้นเป็นเปลตอันนี้เป็นเดรัจฉานรู้ว่าอบัยภูมิมาแล้วทีนี้ธรรมชั้นสูงของเรามีอีกถ้าเราสนใจธรรมชั้นเราก็ไม่ต้องพิจารณามากแล้วก็เป็นเจ็ดเพียงสักว่ารู้สักว่าเห็นท่องกำลมให้แกเข้าออก เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นไม่ยึดถือสิ่งใดๆด้วยทั้งอดีตทั้งอนาคตัปัจจุบันทั้งคําฝันและทั้งคําที่ไม่ฝันด้วยเราไม่สําคัญตัวว่าอยู่ในที่ใดทั้งสิ้นไม่สําคัญตัวอยู่ในอดีตไม่สําคัญตัวอยู่ในอนาคตไม่สําคัญตัวอยู่ในปัจจุบันไม่สําคัญตัวอยู่ในผู้รู้รู้ด้วยเราพิจารณาอย่างนั้นลมเป็นแต่สักว่าลมผู้รู้เป็นแต่สักว่าผู้รู้ผู้เห็นเป็นแต่สักว่าผู้เห็นเราไม่สอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของ เราจะรู้คําฝันตามเป็นจริงของฝันเราจะไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นใจเป็นบุคคลด้วยจถึงจะพ้นหูได้ยินก็เรื่องของหูหูก็ได้ยินก็เป็นเรื่องของหูใจรู้ก็เป็นเรื่องของใจเราไม่ไปสอดแทรกเอาเป็นจัดเป็นบุคคลอถ้าเราไปสอดแทรกเป็นใจเป็นบุคคลใจก็มีทิฐิมานละก็มีวิญญาณปฏิสนธิติดอยู่ที่ใจเราจะตัดใจออก ผู้ลู่ละเอียดสักเพียงใดก็ตามก็เป็นได้ศักว่าลู่ผู้ลู่ว่าเป็นได้ศักว่าลู่คือใครก็คือผู้ลู่อยู่ของเก่านั่นเองแต่เราก็ไม่ยึดถืออรู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตรู้อานาคตตามเป็นจริงของอานาคตรู้คําฝันตามเป็นจริงของคําฝันรู้คําไม่ฝันตามเป็นจริงของคําไม่ฝันจะไม่ยึดถือสิ่งใดๆด้วยความเป็นจริง ความันจริงมันก็ลู้จะห้ามไม่ลู้ไม่ได้ก็เรื่องของมันลู่ความนึกคิดเป็นเครื่องสัญจรของโลกผู้ลู้ก็เป็นเครื่องสัญจรของโลกผู้ลู้เป็นพบละเอียดเหมือนกันเป็นชาติละเอียดเหมือนกันถ้าไปติดอยู่ในผู้ลู้ก็มีพบมีชาติอยู่เหมือนกันนะก็วางหมดถ้ารู้ถ้าถ้าเรารู้ทันมันมันวางมันเองเราไม่ต้องเลยสมมติวางหรอก ไม่สำคัญตัวว่าเราได้ไม่สาคัญตัวเวราเราเสียถ้าสำคัญว่าเราได้มันก็จะสำคัญว่าเราเสียอีกเหมือนกันนั่น <fill in> <water> <sketch> ถูกไหมถูกถ้าเราสำคัญว่าเราเขียนเราก็จะสำคัญว่าเราลบอีกเหมือนกันถ้าเราสำคัญว่าเราเกิดเราก็จะสำคัญว่าเราตายแต่เรื่องเรามันไม่มีในที่นั่นเสียแล <S <S ้วเราไม่เอาเราไม่เอาเสียแล้วรู้สึกว่าเรานะไม่ให้มีในจิตใจไม่ให้มีในจิตใจ เหตุฉะนั้นสังขารสูญในเมื่อในเงื่อนสองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสังขารสูญในเงื่อนสี่ไม่ใช่ผู้อื่ น, มน ไ, ม ไ, มไม่ใช่ผู้อื่นเสมอหน้ากรองกันเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นพ่อมกลมลมให้ใจเข้าออกเห็นเสมอหน้ากรองใสเลยเคยจะฝนเป็นรปรนรกเพื่ <c oughs> อสร้างยม เกิดควาเกียดความเกลดอยู่นีืแล้วกนอยู่นี่บูตไมได้บเพื่อังได้เข้าใจได้เอ็ดดังได้พระนิพพานอยู่นี่พระนิพพานก็อยู่ในนี้ดับเพลินก็คือพระนิพพานดับเพลินในวัฏสงสารก็คือพระนิพพานก็คือดับตัณหาทางล่ากก็คือดับสมจฉริยอยู่ในตัวก็คือเจริญมรรคอยู่ในตัวก็คือทำให้นิโรธแจ้งอยู่ในตัว ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติทุกแล้วก็ปฏิบัติสมุทยัยว่าจะปฏิบัติมรรคก็จะปฏิบัติด้เรื่อยนิโรธอย่างนั้นไม่ใช่อ น, นั้นมันเรียงแบบนั่นถ้าเราพิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นพื่อทำลมหายใจเข้าออกดูนั่นก็คือดับตัณหาคือทําลายตัณหาก็คือเจริญมัตรก็คือทํานิโรธให้แก้งนะั่ ที่ว่า<ม>ว่ารู้ถึงที่จุดแล้วไม่มีอารมณ์นอนไม่ฝันมีสติอยู่ตลอดทั้งหลับทั้งตื่น น, นี่ทํายังไงค่ะจะเป็นยังไงเพราะไม่ยึดในคําฝันมันก็มามีฝันล่ะรู้ถึงที่จุดหมดอารมณ<ม>์หมดอารมณ์หมดมอารมณ์ก็พราะไม่ยึดถืออารมณ์มันหมดด้วยวิธีไม่มยึดถือถ้าเรายึดถืออารมณ์ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันก็ไม่หมด ถ้าเรายึดถืออารมณ์ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอารมณ์มันก็ไม่หมดถ้าเราไม่ยึดถือมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ล้นลนวถ้าเราไปยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่หมดเนี่ยถราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ตามธรรมชาติของมันมันแล้วเราไม่เป็นหน้าที่จะไปบังคับอารมณ์เราบังคับไม่ยึดถืออารมณ์จากหากเราไม่เป็น เป็นหน้าที่จะไปบังคับดินบังคับน้าํบาบังคับไฟบังคับลมเราเป็นหน้าที่ที่จะไม่ยึดถือดินน้ําไฟลมเป็นเราเป็นเขาเท่านั้นถึงมันแช็ดเข้ามาก็ไม่เอาเอออันนี้ดิฉันทำอย่างนี้ถ้ามองมองจากทิษะขอโทษนะครับก็าถึงปลายเท้าบอกว่ามันไม่มีอะไรมีแต่โครงกระดูกไอ้ตัวมีมันสมองเหลวๆมันไม่มีอะไรทั้งนั้นไอ้ความคิดความปรุงหรืออารมณ์นั้นมันเกิดจากตาเห็นลูกหูยินเสียงที่เรามองลงจาก มองลงจะไปถึงเท้ามันไม่มีอะไรเห็นเป็นธาตุดินธาตุดน้ำและอารมณ์มันไม่เกิดเลยไม่ปรุงไม่คิดเฉยอยู่อย่างนี้แล้วมันจะเบื่อหน่ายได้ยังไงแล้วมันจะเบื่อหน่ายแล้วจะไม่ยึดถือได้ยังไงถ้าไม่มีเต็นนิ่อยู่อย่างนั้นแล้วจูๆจูๆจจูมันถ้าเราเผลอสติมันก็มาเองนั่นนหะมันอยู่ด้วยกำลังช า, ชานเฉยช้านังแปลว่าเท่งเพยงอยู่ ความอยากจะละได้เพราะปัญญาสติเป็นเป็นที่ป้องกันความอยากมันระ ง, งับอยู่เฉยเฉยมันหยุดทํางานอยู่เฉยเฉยมันยังไม่ชนะสงครามมันเข้าลุมเพาะเฉยเฉยมันไม่ต่อสู้เรื่องจะชนะสงครามก็คือเรื่องที่ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเท่านั้นถ้าสงบเราก็ไปยึดติดอยู่ในสงบ ทุกขเวทนาเราก็จะไปติดอยู่ทุกขเวทนาเราก็จะไปติดอยู่อุเบกขาเวทนาเราก็จะไปติดอยู่แล้วก็ไปไม่รอดเหมือนกันอุเบกขาเวทนาก็เป็นเป็นภพมรชาิเหมือนกันเขาเรามียุแย่เรารู้อยู่แต่ว่าเราไม่ยึดถือมันไม่ยึดถือมีเพือสติมันก็ไปไปหามันเคยไปนะคะแล้วก็ได้สติก็ยึดคืนแล้วไม่เอาปฏิเสธเอาอยู่อย่างนี้แ่ละสู้ไปสู้มาอ หลายปีแล้วมันก็เป็นอยู่เพียงอย่างนั้นไม่เห็นมันหมดสักทีมันไม่หมดดอกเพราะอุบายเราไม่พอเรายังมีเราสอดแทรกอยู่อย่างละเอียดเรายังยังมีเราเขาสอดแทรกอยู่อย่างละเอียดมันยังมีกูของกูอย่างละเอียดอยู่อย่างหยาบนั่นมันปราบได้แล้วอย่างละเอียดมันมีอยู่สติเราไม่เก่งมันก็ตามมันไม่ทันเอ อ, นน อ, อมันเพื่อ มันผือสติไม่จริงก็ตามมันไม่ทันตามรูม้ไม่ใช่รูร้อดีตตามจริงของอดีตรู้อน า, าคตตามจริงของอน า, าคตรู้ปัจจุบันตามจริงของปัจจุบันไม่ติดอยู่ในผู้รู้ทั้งสาม น, านั่นบางทีรู้อย<ว>ู่ความโกรธ<ห>บอกว่า<ห>วจะไม่โกรธแล้วทีนี้มาถ้าตั้งใจแล้วก็ไม่โกรธจริงๆถ้าเผลอแล้วก็ ไอ้าวไหนว่าจะไม่โกรธหลา ร, รตัวไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีโกรธใครหรอกมันก็คืนมาแต่ยากคืนมันเคยมันเคย <c oughs> มันเคยมันชินแล้วพระหุละก ร, รมกำชิน <c oughs> อแล้วต้องอาศัยทํำเนือ ง, องปฏิบัติเนื่องๆพระวิตาพระหฤกตาทําให้มาก ทำให้ติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนต้องตลอดชีวิตยังไม่ตายก่อนเท่านั้นทำสมาธิก็บางวันก็สงบและปัญญาก็เกิดบางวันสามวันสี่วันมาเกิดครั้งหนึ่งบางทีก็เกิดติดติดกันบางวันบางทีสามสี่วันก็ไม่เกิดปัญญาขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ บางทีเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยเชิญดูนั่นแหละเดี๋ยวค้นหาคิดหาก็นานๆมันขึ้นๆลงๆในสม่ำเามอเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพิจารณาใจรักไม่พอเป็นเพราะพิจารณาายรักไม่พอถ้าพิจารณาายรักแล้วมันก็ไม่ขึ้นไม่ลงดอก เราต้องการพิจารณาเวลาไหนก็ต้องเห็นเวลานั้นเว้ไว่แต่เราไม่ต้องการเท่านั้นลงเข้าข้างหนึ่งมีทั้งเกิดทั้งดับด้วยมีทั้งแปรปวนด้วยมีทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยมีทั้งไม่ใช่สสารไม่ใช่บุคคลด้วยลงเข้าข้างหนึ่งลบออกข้างหนึ่งก็เหมือนกันขณะคิดที่นึกขึ้นทั้งข้างหนึ่งก็เหมือนกันขณะคิดที่นึกขึ้น นึกขึ hmm. um, feel, ้นแคปเดียวมิ่ก็มีทั้งเกิดขึ้นเปแปรป่วนและแตกสลายเหมือนพยับเด็กก็มีทั้งไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลอยู่แล้วผูกขาดอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเปลแปรป่วนและแตกสลายก็ผูกขาดอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่เกิดที่ดับก็อันเดียวกันก็ผูกขาดอยู่แล้วไม่ให้ดับกิดับเองไม่ให้ดับมันดับเองเราไม่ใช่ไปสมมติให้มันดับมันดับแล้วเราจึงรู้ตามเป็นหลังฉากเราไม่ ไปสมมุติให้มันดับมันดับเองมันเกิดเองดับเองสิ่งเหล่านี้สังขารไม่ใช่ว่าเราจะไปสมมุติไปทําลายให้มันเกิดมันดับแล้วตามเาจริงของมันเท่านั้นเรื่องสัญญาเก่าๆเรื่องมาหลายปีหลายเดือนหลายวันแล้วอยู่ๆมันก็เสนอขึ้นมาไม่ไม่ต้องการเดี๋ยวมันก็หย่อนนั่นมาเดี๋ยวหยอดนี้มาอย่นั้นล้ฟองอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนนะเออไอตัวนี้แจะทําลายมันยังไง ทำลายด้วยอนัตตาทำสิ่งเดียวจะไปเล่นดาบเล่มอื่นนไม่ไหวเดี๋ยววางดาบอันดวงนั้นเล่มนั่นเล่มนี้อนัตตาทำเท่านั้นจะจจะทำลายอวิชชาได้อกมันดับเองเกิดเองแล้วไม่ได้สมมุติว่าเราเกิดแล้วไม่ได้สมมุติว่าเราดับมันเรื่องของสังขารคำว่าเราเราก็สมมุติพูดกันเฉย อืสมมุติพูดกันเฉยๆเพื่อให้เข้าใจความหมายในสมมุติของชาวโลกความเป็นจริงแยกดินน้ำไฟลมออกแยกผู้ลูกออกอันนั้นเป็นแตสักว่าลูกผู้ลูกอันนั้นเแต่สักว่าจิตอันนั้นเป็นแต่สักว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแต่สักว่าผมขนในฝันดังเนื่อเอ็นกระดูกเป็นแต่สักว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุาไฟธาตุลมเราแยกออกหมดแล้วที่ก็เป็นแต่สักว่าความเสวยอารมณ์สุขทุกข์โมบกขาไม่ใช่สักไม่ใช่บุคคลเกิดขึ้นเนี่ยเขแปรปวนแตกสลายทั้งนั้น อันนี้จังอนัตตาทุกครั้งอันนี้จังอนัตตาเป็นผู้ครองโลกผูกขาดอยู่แล้วเป็นผู้ครองขันผูกขาดอยู่แล้วนีทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเสมอภาพกันหมดด้วยไม่ลําเอียงเขากับใครด้วยที่นี่เรารูตามเป็นจริงและไม่ติดอยู่ในผู้รูตามเป็นจริงด้วยนั่นหัดอย่างนี้จึงจะได้ทําไมถึงไม่ติดอยู่ในผู้รูตามเป็นจริง พระผู้รู้ตามเปจริงก็เป็นอนัตตาธรรมอันละเอียดเนี่ยอืมไม่ใช่อนัตตาธรรมอันหยาบหเนี่ยเราไม่สําคัญตัวว่าเราอยู่ในวิมุตต์เราไม่สําคัญตัวว่าเราอยู่ในสมมุติเราไม่สําคัญตัวว่าเราอยู่ในสังขารเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารพระบรมศาสนาเรารู้พระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานถ้าเราเรารู้สมมุติตามเป็นจริงของสมมุติเรารู้วิมุตต์ตามเป็นจริงของวิมุตต์แต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามทั้งสอง ถ้าเราติดอยู่ในวิมุตต์ก็เรียกว่าเราไม่รู้วิมุตต์ถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขารอันนี้เป็นคําของท่านออันนี้เป็นคำของท่า น, น, น, น, านไม่ใช่คําของพวกเราอแต่เป็นแผนที่ที่เราจะเอามาทําเหนีย่ยบที่เราบอกว่าท่านเสวยมุตติสุขอยู่เท่านั้นเท่านี้นี่ เราก็สมมุติกันพอให้ลูกความหมายแต่ในที่สุดพระบระมศาสดาสมมติว่าตนเสวยอะไรไม่ทราบอยู่อัชบาลอะนีโคตก็ดีเ อ, อท่านเสวยสมุติอยู่ที่นั้นที่นี่ท่านั้นวันท่านนั้นนี่พวกเราบัญญัติกันความเป็นจริงพระบระมศาสดาสําคัญตัวว่าเสมมวยอะไรไม่ทราบที่ยืนพิพเนศอยู่ที่อัชบา ล, ละนี้โคตรเจ็ดวันเราก็สมมติว่าท่านเสวยสมุติที่สุขอยู่เ็ดวัน ยืนไว้พิพณิษอยู่อาชบาลแล้วนี่โคษเจ็ดวันพอตัศรู่แล้วท่านเสวยมุติสุขมาอย่าง น, นัถ้าไม่ผูกอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จักความหมายรู้จักความหมายกันแต่ในที่นั้นพระบรมสา ร, รสราสำคัญตัวอยู่ในที่ไหนไม่ทราบเพราะไม่มีมาณาธิธิเพราะไม่มีสำคัญเพราะไม่สาคัญตัวใดๆทั้งสิ้นแล้วนี่ มันก็เป็นเรื่องจารีตประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างหากอันนั้นเป็นธรรมะประเพณีต่างหากของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะสรุปแล้วก็จําเป็นจะได้พักไม่บินทบาททำท่าสวยวมุติแต่แต่ความเป็นจริงนั้นท่านสําคัญตัวาสวยวมุติหรือไม่เสวยไม่มติอะไรก็ไม่ทราบเราเป็นเพียงเอามาพูดกันให้เ พ, พอรู้จักความหมายกันเท่านั้น นี้ถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ถึงขั้นนั้นผู้ที่อยู่ในศินทานภาวนากําลังฝึกกําลังซ้อมอยู่อย่างนี้กําลังศึกษาอยู่นี้ทําบุญยังไงถึงจะได้บุญผุศสนมากกว่าอย่างอื่นให้เขาทำยังไงก็ทําทานะไมายัยศีลละไมายัยภาวนาไมา่มีเจตนาเพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้ทําเพื่อตอบแทนไม่ได้ทำเพื่อไปสวรรค์ ไม่ได้ไปไม่ไม่ได้ทําเพื่อไปพมมาโลกไม่ได้ทําเพื่อตอบแทนไม่ได้ทําเพื่อเป็นโลกาธิปไตยตามเขาทําเพื่อเป็นธรรมาธิปไตยเพื่อลดพ้นเท่านั้นมีเท่านั้นจะทําน้อยหรือทำมากก็มีเจตนาเท่านั้นถ้ามีเจตนาไปอย่างอื่นอันนี้สองมันก็ไม่มากส่วนผู้รับนั่นจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราก็ไม่รู้ได้นะแต่ว่าเจตนาของเราต้องให้เป็นกล้าดีน่าจะไม่ดีก็ยังดีกล้าดีแล้ว ก้าก็ดีนาก็ดีนเขายิ่งได้อา น, นิสงฆ์าถ้าเราทานปรารธนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงศารโดยด่วนในบณิฆามันก็เป็นโลกุตระทานถ้ารักษาศีลก็เป็นโลกุตระศีลถ้าภาวนาก็เป็นโลกุตระภาวนาก็มีความหมายอันเดียวกันก็กลมกลืนกันทั้งทานโลกุตระทานโลคุตระศีลโลกุตระภาวนาโลกุตระสมาธิกลมกลืนกันในคณะเดียวอีกเหมือนกัน ขมารโลกุตละขมาโลกิยาบางท่านก็ยังไม่เข้าใจขมารโลกุตระทานทานไังไงว่าโลกุตระาาทา น, า, า, ร า, านคือทานของพระโสดาบันพระโสดาบันมีศินห้าบราิบูรณ์ไม่ดางไม่พร้อยไม่เสียดายจะล่วงศินห้าไม่เสียดายจะเล่นอบายามุขท่องปวงไม่เสียดายฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่เสียดายจะถือศาสดาอื่น ไม่เสีได้ค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นในเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารไม่ไม่เสียด้ค่าขายน้ำมาไม่เสียดายค่าขายยาพิษไม่ครบมิตรที่เหลืองเจิ้งไปในทางบาปใบยมุขทุกประเภทพระสวดาบาลดงทางเดียวว่าชิบหายไม่ได้สงสัยว่าจะเป็นทางนำทรัพย์สมบัติมาแม่แต่เท่าเม็ดงาเลยนะักคุณของพระสวดาบาล นั่นสุปฏิปันโนนัน่นเป็นโลคุตระพิกษุสัมเนีนก็เหมือนกันนับแต่โสดาบันไปจึงเรียกว่าพิกษุในโลกุตะระสัมเนีนก็เหมือนกันอุบาสกก็อุบาสิกาก็เหมือนกันคําที่ว่าปันทิตโตคละมาวะสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือนในที่นี้หมายถึงพระโสดาบันไม่ใช่หมายถึงโสดันโสเดาออื บางท่านน่ะสำคัญตเนเป็นพระโสดาบันแต่ว่าไปถือกระตุดพิษสมอนอยู่อันนันมันมันมันโสดเดาน่ถือถือกระตุกพิษสมอนถือเลิกดีเลิกยามถือฝ้ายผูกข้อต่อแขน เ, เก็ป่วยมาก็ถือว่าผีที่นั่นที่นั่นที่นี่มาทำไม่ได้เอ่ยลงในพญาติโลคาเลย พระโสดาบันป่วยมาไม่จำเป็นจะไปว่าผีที่นั่นที่นี่มามาทํามียารักษาก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ยอมตายแต่ว่าพุทธธรรมประสงค์การถึงว่าพุทธธรรมประสงค์แผ่นดินนาสองแสนสี่หมื่นโยธ์พระโสดาบันถือยิ่งกว่าลึกไปกว่านั้นจะมีผู้เอาทรัพย์สินมาให้พระโสดาบันไปยินดีถือศาสธารอื่นเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินพระโสดาบันก็ไม่รับ ถ้านับก็บเป็นโกของพวกเราเขามันเป็นอย่างนั้นพราะตนไม่ถือรับเอาเราไม่ถือมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นมุสาสีนี่มันก็ขัดสินกับตัวนั้น <c oughs> พระโสดาบันไม่ถือว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมีอยู่ทุกการมันเป็นเรื่องของผู้ได้มันเป็นเรื่องของผู้ไม่ได้ต่างหา ไม่ถือว่าพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้วมรรผลนิพพานหมดไปพระโสดาบันไม่ได้ถืออย่างนั้นสุปฏิปันโนถือว่ามีอยู่ทุกขณะมันขึ้นอยู่กับผู้ได้และมันขึ้นอยู่กับผู้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับผู้เห็นและมันขึ้นอยู่กับผู้ไม่เห็นอีกของจริงมีอยู่ทุกการพระโสดาบันย่อมเข้าใจว่าแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์มีอยู่ในปัจจุบันในขีดปัจจุบันนั้มแล้วไม่ได้อยู่ในที่อื่น ทำหาดินในปัจจุบันนี่ก็มีอยู่ทำหาน้ำในปัจจุบันนี่ก็มีอยู่ทำหาไฟตามสมมติในปัจจุบันก็มีอยู่ทำหา อ, อนิจจังทุกคั้งอนัตตาในปัจจุบันก็มีอยู่มีอยู่ในปัจจุบันทุกทุกประการทั้งสังขารและวิฐารมันขึ้นอยู่กับผู้เห็นและมันขึ้นอยู่กับผู้ไม่เห็นอีกมันขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติและมันขึ้นอยู่กับผู้ไ ม, ม่ปฏิบัติอีกเพราะมันขึ้นอยู่ทั้งสองทาง พระโสดาบันถึงจะมีโกรธสักเพียงใดก็ตามไม่ผูกเวรใครถ้าหากผูกเวรว่าขอให้มันตายทุกขอให้มันตายยากเออมันมาเบียดเบียนกูอย่างนั้นอย่างนี้ท่านึกในใจขณะคิดเดียวมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันพระโสดาเวรพระโสดาภอยผูกเวรผูกไัยถ้าหากว่า เขาทำให้เราเคยเราเคยทำเขาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปซักพระโสดาบันต้องอย่างนั้นเอเราจะไม่ผูกเวรใครๆทั้งสิ้นถึงแม้เราจะมีโกรธอยู่ก็ไม่กลับถึงล่วงและเมิดจนถึงอบายภูมิภูมิของสัตว์ทั้งหลายเราปิดแล้วโทษที่จะสามารถให้เกิดเป็นสัตว์ที่ได้ฉานเปรตอสุรกายหรือสันนิกนั่นเราได้ปิดหมดแล้วปิดประตูใจหมดแล้ว พระโสดาวันตอบตนชัดเรียกว่าไม่มีวิจิตราไม่ลังเลในปฏิปทาของตนเลยคำว่าพระโสดาบันสักกายทิฏฐิไม่ถือตนถือตัวนันมีผู้เด็กเล็กพูดถ้ามีเหตุผลพระโสดาบันก็รับฟังไม่ถือตนถือตัวเรียกว่าสักกายทิฏฐิและไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงด้วย ไม่สงสัยในศีลวัตของตนด้วยกามราค้าของพระเสดาบันมีอยู่ก็จริงแต่ไม่สามารถล่วงประเวณีสามีของตนและภรรยาของตนเพราะไม่เสื่อใจอยากเกล่วงด้วยถ้าเชือยอใจอยากเกล่วงเพราะเกงมันจะพิษถินอย่างนั้นก็ไม่ใช่พระเสดาบันกําลังอยู่ในมรรคกาลังปฏิบัติอยู่ถ้าเป็นคนไข้ก็กําลังกินยาอยู่เนี่ยมันจะหาย นั่นเป็นเพียงโซดาปฏิมักนเนี่ยส่วนโสดาปฏิผลแล้วนั่นมันไม่ไม่เสียดายละไม่เสียดายจะผูกเวรใครไม่เสียดายจะไปรอบภรรยาของตนไปรอบสามีของตนก็จะให้ทรัพย์เจมเป็นฝ้าเป็นดินก็ตามนั่นแหะปันทิตัคามาวะสังละบันทิตเป็นผู้ครองเรือน จะตายวันไหนก็าตามไม่ได้เข้าสมาธิก็าตามก็ไปสุขติี่ถ้าเป็นพระโสดาบันเอกพิคีก็เกิดอีกชาติเดียวพวกนี้เป็นโทสะจริตพระโสดาบันเอกพิคีพระโสดาบันที่เกิดอีกสามชาติเป็นพระโสดาบันที่โทสะจริต ที่ที่โมหะอ่าไม่ใช่ศรัทธาจริตพระสว ส, สดาบาลศรัทธาจริตพระสวัสดิบาลที่เกิดเอ ก, กิจชาติเป็นพระสวัสดิบาลที่โมหะจริตพ้ะสัจธารมมีอนาคตมีพระอรหันต์ก็เหมือนกันมีศรัทธาจริตมีราคาจริตมีโมหะจริตเหมือนกัน แต่ว e ่าถ้าเราไม่ได้พระลาหนในชาตินี้เราจะไม่เอาดอกหรอืๆๆพรหอพ ร, พระอนาคามีเราไม่เอาดอกหรือบางท่านคัดค้านว่าทําไปเถิดไม่ได้พระลาหัน์ดอกก็เถิดอ่าเราก็ตอบง่ายๆว่าไม่ได้พระลาหนพระอนาคามีไม่เอาดอกหรือไม่ได้พระอนาคามีพระสกทาคามีไม่เอาดอกหรือไม่ได้พระสกทาคามีพระโสดาบันไม่เอาดอกหรือไม่ได้พระโสดาบันตายแล้วไปอยู่ในภพมรรคด้วยกําลังชาตไม่เอาดอกหรือหรือไปสวรรค์ไม่เอาดอกหรือ หรือไปเกิดมนุษย์ไม่เอาดอกหรือจะเอาแต่ไปลงนั้นลกสิ่งเดียวนั่นดอกหรือนั่นเออทีนี้สูทําไปก็ตามเถิดทําไรไทยนาไม่ได้เป็นเศรษฐีดอกไม่ได้เป็นเดชเศรษฐีไม่ไม่ดีกว่าขอเขากินหรือไม่ดีกว่าไปรักเขาหรืออันเดียวกันล่ะ <c oughs> ถูกไหมพูดอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ถูกทําไม่ไม่ได้พระหลานก็จะไม่เอาเขาขายของเหมือนกัน ถ้ามัมีใบแล้วห้าบาทหรือพันบาทอย่าเอามาซื้อของเราเนอเขาว่าหรือเขาก็เก็บแต่บาทหนึ่งสองบาทไปเหมือนกันนั่นหมายความว่าทำทานไปทีละเล็ ก, ก น, น้อยถูกแล้วนั่นะเป็นโลกุตตะทานนะวังเพื่อนทุกข์ในวัตาสงสารนะไปที่เล เดี๋ยวคันแล้วนอนทำนี้กับเพื่นกัเทศแล้วแล้วกับคันแลนอนทำอาหารกันจริงนที่อยู่ที่นอนก็เอามาดูหันบันไดนอนให้เพื่อนว่าจังไงให้เนื่อนนอนของท่านไงเอาตีใจเพื่อนเป็นบ่ฮะหุ่นกระท้อนนี้มีอะไรบอลบ่มีอะไ้บอลจังบอล ที่หส้ไม่จะพูดมเมนไปหอดหัวส้ไม่จพูดเถ่าคำจุกุกิ๊กกับนอนี่ใช่ปนอย่างมันมีหอมมันมีหองพ่อได้เก็บอยู่ก็แหงดีจืการแห้น่นมันนี่ก็ดีจืดไปลงพามานอน